เป็นยังไงหายหน้าไปนานครับครับผมวันทีคราวที่แล้วมาก็อยู่ตรงวัดครับอ้อาววันนี้วันนี้สะดวกอะไรขึ้นมาครับนมาตอนช่วงวันวันนักตะเลิกวันสำคัญทางัาสนาอะไรอยู่เวียนเทียนข้างล่างนะครับ มาวัดมาทําไมครับมาวัดมาทําไมมาขัดเกาอิเ ล, ละคุณเจ้าแล้วขัดได้บ้างได้บ้างพระคุณเจ้า เ, จเวลา ม, ามาอยู่วัดมันก็ขัดได้แต่เวลากลับไปบ้านมันไม่ขัดเลยครับขัดต่อเป่า ก็ยังอยากอยู่อยางครับยังอยาก <c oughs> จำแต่ไม่ทำ <c oughs> เลือกยากนะครับความอยากนี่เลือกยากครับถ้าเลิกง่ายก็ไปนิพพานกันหมดแล้วอื <c oughs> ตัวที่ทําให้เราไม่ได้ไปนิพพานก็คือตัวความอยากเนย <c oughs> ตัวที่ทําให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือความอยากอยากในรูปเสียงกิจนรอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ความอยากนี่เลยทาให้เราต้องเรียนไหวตายเกิดในตายพบในกรรมมาพบถ้ายังมีความอยากในกรรมการมตัณหาก็ต้องกลับมาเกิดในกรรมมาพบกรรมมาพบก็เป็นที่อยู่ของ เทวดาลงมาเทวดามนุษย์เดชะชานเปรตอสุรกายสัตว์นรกจิตเหล่านของสัตว์เหล่านี้เป็นจิตที่มีกามติดในกามติดความสุขในกามติดในรูปเสียงกลิ่นรสถ้ายังไม่ตัดกามกามกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะต้อง เวียนไหวาตายเกิดอยู่ในกามะพบตายพบนี่มีอยู่สามมีกามะพบมีรูปะพบกับอรูปะพบเรียกว่าตายพบตายพบตายภูมิตายโลกกถาเป็นที่เวียนไหวาตายเกิดของจิตที่ยังมีตัณหาอยู่ผู้ที่ไปตายผู้ที่ไปใน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 แต่ยังกลับยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในรูปะพบกับอรูปะพบก็ยังมีภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ถ้าตัดภาวะตัหาหรอภาวะตัหาวิภาวะตันหาได้ก็จะไปนิพพานนี่คือตันหาทั้งสาม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 พระโสดาบันนี้ยังยังตัดกามตัณหาไม่ได้ตัดได้บางส่วนยังตัดไม่ได้พระสกิดาคาเมก็ยังตัดไม่หมดยังมีเหลืออยู่บางส่วนมีพระอนาคาเม่นี่ตัดกามตัณหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามะภพเพราะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะสุดไปสู่พระนิพพานได้ต่อไปพระอนาคามีนี้ท่านตัดกรามมาตัญหาได้หมดตัดความ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 ก็คือความอยากถ้าเบื่อกี่หน้ากันก็อยากอยากจะได้ไม่มาเจอกันอีกเราไม่รู้เจอกันมากี่ครั้งวะแต่เราจำกันไม่ได้แต่ก็ลงมาเจอกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีอะไรดูดกันบ้าง mm. เคยเคยชอบสิ่งเดียวกันเคยชอบของอย่างเดียวกันก็เลยไปหาที่ที่เดียวกันเหมือนคนที่ชอบไปบาร์ไปผับเนี่ย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 เสียงคนนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนวิธีพูดของคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนชาติก่อนเราค่คยพูดอะไรอย่างไรชาตินี้เราก็พูดแบบนี้เราถึงจำกันได้ไงเวลาเราเจอใครได้ยินเสียงคงพูดเขานี่เราจะชอบือไม่ชอบทันทีไม่จะเฉยเฉยแต่หน้าตามันเปลี่ยนไปหมดแล้วหน้าตาเวลาเข้ามาเกิดใหม่ได้เข้ารูปร่างหน้าตาใหม่ แต่วิธีพูดของเขานี่ไม่เปลี่ยนเสียงของเขายังไม่เปลี่ยนเคยพูดกะโชกกัชชาเคยพูดสุภาพเรียบร้อยนะเคยพูดอย่างไรเขาก็จะมักจะติดนิสัยนั่นมานะมันกอดเจอคนหน้าตาจำไม่ได้แต่พอพูดออกเสียงปั๊นี่ได้ยินจำได้เลยเสียงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ร่างกายนี่เปลี่ยน ไปดูรูปของเราเมื่อสิบปีก่อนนะไหมเมื่อยี่สิบปีก่อนไหมกับวันนี้เป็นไงคนละคนเลยไหมยี่สิบปีก่อนยังแบบบอกอยู่มั้งเนะี่ยเดี๋ยวยี่สิบปีข้างหน้าก็ดูเลยก็เปลี่ยนไปยี่สิบปีข้างหน้านั้นก็จะเหี่ยวยนเนีนะ่ผมก็จะหง การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่ไ ม, มีใครรู้ว่ามาเกิดกันได้อย่างไรมีพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสุโรทรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพวกเรานี่มีกา ม, มาตัณหาทุกคนมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกันทุกคนถึงมาเกิดในภพของมนุษย์ภพมนุษย์นี่เป็นที่เสพกามกันใช่ไหม อยากดูไหมอยากฟังไหมอยากลิ้มรสอยากนมกลิ่นไหมคือความอยากที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันเพราะเราต้องมีร่างกายด้วยปิดมือถือด้วยก็ดีนะเพราะว่าบางทีสัญญาณมันไปรบกวนเสียง เราจึงต้องมากําจัดกามาตันหากันนะวิธีกําจัดก็คือให้ถือศีลแปดกันนะถือศีลแปดแล้วก็นอนกับแฟนไม่ได้แนละ้วการนอนกับแฟนนี่ก็เป็นกามาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นนสดของแฟนการมาตันหาความอยากกินอาหาร เพื่อความอร่ อ, รอยเพื่อความสนุกสนานเพื่อความมันเพื่อความสุขนี่ก็เป็นการมาตัณหาแบบหนึ่งเติดในรูปของอาหารกลิ่นของอาหารรสของอาหารเราจรึงกินกันมากเกินความต้องการของร่างกายกันร่างกายนี่ไม่ต้องการมากพออยู่ได้กินมาหนึ่มือ้อก็พอหรือสองมือ้อ นี่เรากินสามสี่มื้อกันระหว่างมื้อก็ยังกินกันอยู่เดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวดื่มเครื่องดื่มอันนี้เป็นการวาตัณหาทั้งนั้นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็มาตัดความอยากดูหนังฟังเพลงกันดูละครดูยี่เกดูมิวไปเที่ยวกัน ไปตามไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปงานเลี้ยงกันงานเลี้ยงก็ไปกินอาหารกันไปดูก็ร้องรำทำเพลงกันงานแต่งงานงานจะร้องอะไรต่างๆอันนี้เป็นกามตัญหาข้านขนาดวัดนี่ยังมีกามตัญหาเข้าไปเลย วัดก็มีภาพยนตร์มียีเกมีนิ้วมีลำวงสมัยก่อนวัดที่วัดชัยมงคลที่พัทยาใต้นี่ก็มีงานประจำปีจะมีลิเก้มีลำวงมีภาพยนตร์ก็คนชอบของพวกนี้กันเลยต้องมีของพวกนี้ดึงคนเข้าวัดให้ไปปิดทอง จัดงานประจำปีถ้าไม่มีมหโหสถก็ไม่มีคนไปไปกันน้อยในถ้าวันนี้มีคอนเสิร์ตเนี่ยป่านนี้เต็มวันนี้ถ้าที่วันนี้จัดคอนเสิร์ตทุกวันนี้จัดคอนเสิร์ตฟรีทุกวันนี้โอโหเต็มไปหมดนะวันก่อนมีญาติโยมคนนึ่งเขาทําวิจัยทํำปัญญาเอกเรื่อง การท่องเที่ยวในวัดบอกตายแล้วคุณทำไมผ่าทาท่องเที่ยวที่วัดกันวัดมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวะแต่ก็บอกว่าถ้าเราไม่จับเป็นที่ท่องเที่ยวเขาคนก็ไม่มากั น, นสิคนที่ชอบท่องเที่ยวเราไม่ต้องการให้มาหรอกมาแล้วมันวุ่นวายมาแล้วมันไม่สงบมาแล้วมันทําลายความสงบของวัดวัดนี้เป็นสําหรับที่ที่คนไม่ชอบท่องเที่ยวกัน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 เนี่ย yeah. แต่คนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาก็ไปคิดว่าเดี๋ยวนี้วัดวาเป็นที่อท่องเที่ยวกันแม้แต่คนสร้างวัดเองก็คิดว่าสร้างวัดเพื่อให้คนมาเที่ยวกันเแี่ยยเวัดพระแก้วนี่สมัยก่อนก็ไม่ได้สร้างให้คนมาเที่ยวกันหรอกพระเจ้าแผ่นดินสร้างเพื่อถวายเป็นอ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 ก็เลยกลายเป็นท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวไปคนยุค น, นุ่นหลังก็เลยคิดว่าสร้างวัดเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวกันพยายามสร้างบา้านฮะสร้างวัดให้สวยงามให้วิจิตรพิสดารเลยผิดจุดประสงค์ของของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสร้างให้สร้างวัดเพื่อให้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ต้องการหาความสงบ ผู้ที่ต้องการศึกษาที่ต้องการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตมีความสุขให้จิตบลดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่นนี้คณะกรรมการวัดนี่แตละวัดนี่มองไปที่การหาเงินเข้าวัดหาไรายได้เข้าวัดกันก็เลยต้องคิดหา วิธีดึงดูดคนเข้าวัดกันแต่ละวัดก็มีอะไรแปลกๆใช่ไหมวัดเสือเห็นไหมเคยเห็นวัดเสือไหมมีเสือคนก็ไปวัดกันไปเที่ยวกันไปดูเสือกันไปถ่ายรูปกับเสือกันไม่เคยไปหาพระเลยไปวัดเสือไปหาเสือ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 ขอนู่นขอนีน่ยิ่งวันนี้โอ้ยวันนี้วันสําคัญไม่วันอะไรเลยวันหวยออกวันนี้ทูบเทียนขายดีจุดทูบเทียนกันบูชาพระพุทธพระพุทธเจ้ากันพระพุทธรูปกันหรือถ้าไปห า, าพระเป็นก็ห า, าพระเป็นที่ที่เห็นเห็นเลขเด็ดๆมีเลขเด็ดๆให้ อันนี้คงจะเต็มวัดเลยพระที่มีเลขเด่ดๆนๆให้สมัยนี้เข้าวัดเข้ากันแบบนี้เข้าไปหาราบยศกันคนอยากได้ยศก็เข้าไปเวลาเลือกตั้งนี่สอสอไปวัดกันเนยอะคนที่ไปสมัครสสอี่ไปหาเสียงในวัดกันเนยอะไปหาเสียงเพื่อหายศกัน วัดเลยเป็นจุดเป็นที่ที่ผิดจุดประสงค์ไปโดยไม่รู้เสร็จตัวคนสมัยนี้เลยไม่รู้ว่าไปวัดทาไมกันนะส่วนใหญ่ก็คิว่าไปวัดก็เพื่อไปเนี่ยไปขอนู่นขอนี่นกันใครอยากจะเรียนจบก็ไปขอกันกลัวจะเรียนไม่จบก็ไปขอลูกไม่ดีก็ไปขอให้ลูกดีคนไม่มีลูกก็ไปขอให้มีลูก คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยขอกันหมดมีอะไรอยากได้อะไรนี่ยังก็เป็นแก้วสารพัดนึกเอาพระวัตรลูกนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกแล้ใครอยากได้อะไรก็ไปซื้อทูบจุดทูบเทียนน้ำดอกแล้วก็พึ่งพัพึ่งพัมในใจเอขอนน่นขอนี่ บางคนขอได้ก็ดีใจคิดว่าได้จริงๆขอแล้วได้จริงๆก็เลยติดใจเวลาอยากจะได้อะไรก็ไปขอกันถ้าไม่ได้ก็ก็คิดว่ายังไม่ถึงข่าวยังไม่อยังไม่ยั ง, ย, งยังไม่พระยังไม่โปรดก็รอข่าวหน้าขอใหม่ เนี่ยศาสนาพูดเราทั้งวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปสะนะเพราะเราไม่ศึกษากันว่าศาสนาสอนให้ทำอะไรกันนะไม่ค่อยศึกษากันศึกษากันก็แบบงูงูปลาปลาศึกษากันแบบเป็นพ่อแม่สอนมาพ่อแม่สอนให้สายบาทก็สายบาทพ่อแม่สอนให้กาบพระก็กาบพระก็รู้เท่านี้แต่ไม่รู้ว่า กลัไปทำไมใส่บาปไปทำไมทำเพื่ออะไรรู้แค่คำว่าบุญแต่ไม่รู้ว่าบุญมันเป็นอะไรถ้าต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าบุญกับบาปเป็นอะไรบุญก็คือความสุขใจนี่แหละบาปก็คือความทุกข์ใจคือบุญ คือการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใจเราก็เรียกว่าบุญการกระทําที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเราก็เรียกว่าบาปเช่ mm hmm. นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิด ต, ตเวนีพูดปดดลืมโซลายาเมา mm hmm. เป็นการกระทําที่ทําให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจกัน mm hmm. การทําบุญให้ทานการให้ทานะ การได้รับใช้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สงเคราะห์ผู้อื่นทำให้เรามีความสุขใจเราเรียกว่าบุญการฟังเทศฟังธรรมก็บุญเพราะทาให้เรามีความสุขใจมีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เข้าใจกันการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิ ก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นไปอีกการมีปัญญาเพื่อตัดความโลภความอยากต่างๆก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องศึกษากันเราถึงจะเข้าใจว่าวัดที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นอย่างไร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 ต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาต้องไม่ทำบาปต้องรักษาศีลให้ดีต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วต้องศึกษาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทางนั้นที่เราอยากกันก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุข เราคือว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความสุขจึงอยากได้กันอยากได้รูปคนนั้นอยากได้รูปคนนี้อยากอยากได้รูปต่างๆนะครับข้าวของต่างๆนี้ก็เป็นรูปเป็นของที่เราเห็นด้วยตายได้ด้วยตาเห็นรถยนต์ขึ้นมาก็อยากได้เห็นเขาโฆษณารถยนต์รุ่นล่าสุดเห็นเขาโฆษณาโทรศัพท์รุ่นล่าสุดเห็นก็าโฆษณาเสื้อผ้า อะไรต่างๆค่ะเนี่ยเปิดทีวีปั๊บเนี่ยมีของมากระตุ้นความอยากกันเยอะแยะไปหมดมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสเนี่ยขนมชนิดต่างๆะฐานที่ไปเที่ยวไปรับประทานกันมีอะไรที่ไหนบ้างมาโมงมาม่ม า, มาอะไรนี้ออกมาก า, กาแฟ โฆษณากันอยู่ตลอดเวลาเห็นแล้วก็อ่อยการมัตตันหาก็ออกมาออกมาแล้วก็เลยทําให้ต้องไปทําตามที่เห็น mm hmm. เกิดการมัตตันหาเกิดความอยากในรูปที่เห็นอยากได้ในรูปที่เห็นไม่เคยพิจารณาเลยว่ามันมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันนะ่ mm hmm. พอไปซื้อแล้วมันติดนะซื้อกาแฟมาดื่มแล้วมันติดนะ เลิกได้ไหรือเปล่าหยุดกาแฟาได้ไหรือเปล่าเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟารู้สึกยังไงสุขไหมเรือหงุดเหงีดหนนี่หละไปซื้อยาเสจติดมาทั้งนั้นนะไม่รู้สึกตัวกันติดหลายอย่างติดลูกเสียงกลิ่นล่นต้องมีปัญญาถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จะได้เลิกกันได้ ถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษจะกล้ากินกันไหมกล้าซื้อมากินกันไหมกับงาแฟนิสุลายาเมาเนี่ยเวลาเขาโฆษณานี่โหดูแล้วน่าดื่มนะคนเดิ่มนี่เป็นคนหนุ่มคนสาวลูปร่าตาหล่อดแล้วนั่งดื่มในสถานที่นั่งดื่มในข้ารหารในสถานที่น่าดูน่าหน่าไปกัน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 ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่มีวันที่จะสู้ความอยากได้ mm. เห็นอะไรปุ๊บมันอยากได้ขึ้นมาทันทีได้ยินอะไรปั๊บอยากได้ขึ้นมาทันที mm. นี่คือที่ของ mm. ที่ที่เราเรียกว่าวัดน mm. วัดเป็นที่สงบเป็นที่ศึกษาแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติ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 ที่ไหนมีคนไปเที่ยววัดกันที่นั่นก็พ่อค้าแม่ค้าก็ไปกันของกินของดื่มก็อะไรเต็มไปหมดที่วัดนี่ไม่เป็นที่ที่ไม่ให้มีของพวกนี้ให้มีก็ต้องคอยควบคุมให้มีได้เป็นเวลาให้มีแบบเป็นที่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 มีรสชาติเช่นน้ำกาแฟน้ำชาเรียกว่าน้ำปานะน้ำผ ล, ลไม้นี่ก็ดื่มกันครั้งหนึ่งตอนในตอนบ่ายเช้าก็ฉานอาหารแล้วบ่ายก็ให้ดื่มน้ำปานะได้หนึ่งครั้งแล้วนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าเวลาหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่ากันพราะน้ำเปล่านี้จําเป็นไม่ได้ดื่มด้วยความอยาก เดิมได้เพราะว่าร่างกายมันขาดน้ำต้องแตบน้ำให้มันวัดแท้จริงจึงเป็นวัดที่ไม่มีอะไรมากโบสเจดีไม่ต้องมีก็ได้กุฏิก็ก จ, จะเป็นกระถอบเล็กๆน้อยๆพอมีอะไรหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ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 ทีนี้ย่ามันมีปัญหามันสี่ห้าปีมันก็ผุต้องคอยเปลี่ยนด้วยก็เลยอเอาของที่มันทนทานหน่อยก็ใช้เป็นสังกษสีไปแต่ทุกอย่างก็ยังเนี่ยเป็นของตามมีตามเกิดไม้นี่ก็เป็นบ้านของญาติโยมที่เขามีบ้านเก่ารื้อทิ้งแล้ ว, ลวก็ก็ขนไม้มาบริจาคให้กับวัดพระท่า น, นก็เอามาทำ เป็นศาลา mm hmm. เนี่ยวัดจริงๆนี่จะเป็นวัดที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมากไม่มีการก่อสร้างมากพราเวลาก่อสร้างมันก็ไม่สงบ mm hmm. มันก็จะมารบกวนความสงบของวัดกัน mm hmm. ที่วัดนี้ไม่ต้องการให้มีกิจกรรมอย่างอื่น mm hmm. นอกจากการภาวนาอ การปฏิบัติธรรมนะถึงจะเรียกว่าเป็นวัดเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนมหาลัยต่างๆเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ให้นักเรียนเขาห้องเรียนเรียนกันเขาไม่ให้มีมหแสอบบันเทิงกันก็ <c oughs> มีเฉพาะนานๆทีเวลาจัดงานปิดเทอมอะไรนี้ก็ว่าไปแต่เวลาเรียนนี้เขาให้เรียนอย่างเดียวเขาไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นะ นี่แคือวัดนะวัดก็คือเป็นที่สงบเพราะการปฏิบัติธรรมการจะทําจิตให้สงบได้สถานที่ต้องสงบก่อนถ้าสถ า, สถานที่อื่นกระทึกครุคนมีมหรศลพมีกิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งสมาธิกันไม่ได้นะั่งแล้วมันไม่สงบมันรบกวนต้องมาที่เงียบๆมา ที่เป็นธรรมชาติจิตนี่ชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจิตจะสงบง่ายกว่าเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นธรรมชาติสถานที่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาทําขึ้นมาผลิตขึ้นมาเนียมันจะไปทําให้จิตนี้ไม่สงบเนี่ยคือวัดวัดเป็นที่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า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 บาที่นี่เขาไม่รู้ว่าเป็นวัดกันหรอกบางคนคิดว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของป่าไม้บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ยิงขึ้นมาบอกจะมาดูสัตว์ <c oughs> บอกที่นี่มันเป็นที่อยู่ของพระ <c oughs> เ, เราเลี้ยวผิดที่ย่าดูสัตว์ต้องเลี้ยวที่วงเวียนะฮวงเวียนมีที่เลี้ยวซ้ายซ้ายแรกท้ายที่สองขึ้นเขาซ้ายแรกก็จะไปที่ที่กองสัตว์ ที่นี่ก็มีกครงสัตว์เกามีสัตว์ป่าที่เขาเอามาขยายพันธุ์แม่ น, นกที่มันหายากพวกนกยูงไก่ฟ้าอะไรพวกนี้เป็นโครงการของในหลวงในหลวงอยากจะให้รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่กําลังจะสูญพันธุ์เอามาขยายพันธุ์กันมาขยายเก้งกวางสัตว์ให้มัน ออกลูกกันให้มันอยู่ในที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครจะมาทำลายออมมันโตแล้วก็จะเอาไปปล่อยในป่าใหญ่ที่นึงให้มันอยู่อย่างธรรมชาติเดี๋ยวนี้พ่ะก็ต้องไปอาศัยวัดอาศัยป่าของป่าไม้อยู่กันเพราะเดี๋ยวนี้ป่าที่เป็นธรรมชาตินี้ไม่ค่อยมีแล้ว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 ทำให้เกิดเสียงหรือก็กรทึกโคงขึ้นมาจะทำให้การปฏิบัตินี้ไม่คืบหน้าหัวใจของศาสนานีอยู่ที่ทำที่ผู้ปฏิบัติได้บรรลุกันมรรคผลนิพพานถ้าศาสนาไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เป็นเหมือนกับ ผลไม้ที่ไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกเนื้อถูกสัตว์มันเจาะเข้าไปกินหมดเนื้อแต่เปลือกตัวของศาสนาก็คือบัรการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุ ธ, ธรรมองค์แรกบรรลุมรรคผลผนิพพานแล้วก็ส่งเอาความรู้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 ไม่มีความซึมเศร้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความเครียดอะไรต่างๆเหล่านี้เจตจิตของพระพุทธเจ้าจะไม่มีเลยใะเย็นสบายไปตลอดเวลานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราศึกษาและปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จิตใจของพวกเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้น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 คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้มีสอนไว้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกคำสอนของเราถึงแม้จะมีมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันที่บรรจุดในพระไตรปิฎกนี่แต่มันเป็นความรู้อันเดียวกันเป็นความรู้ที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้ทําอย่างอื่นไม่ได้สอนให้ร่ําให้รวย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 ไมไ่สอนให้ทําบุญเพื่อจะได้กลับมาเป็นมหาจากักรพรรดิท่านสอนให้ทําบุญเพื่อจะได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ทําบุญเพื่อที่จะได้ไปบวชได้เข้าใจั้มคําว่าการทําบุญนี่ก็คือมีเงินทองมากน้อยก็ยกให้คนอื่นไปนะแล้วก็จะได้ไปบวชได้ถ้ายัางมีเงินทองอยู่ก็เสียดายพอไม่มีเงินทองก็ไปได้นเียคนไปบวชจึงต้องไม่เอาอะไรติดตัวไปเลย คนมาบวชในวัดในเอาแต่ศรัท ธ, ธามาอย่างเดียวเอาแต่ผ้าจีวรมาอัต บ, บริขารพอแล้วเร น, นั้นไม่ต้องเอามาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองลูกเมียสามีอะไรนี่ไม่ต้องเอามาของพวกนี้มันไม่ได้ทำให้หลุดพน้นจะทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด งที่จะทำให้หลุดพ้นก็คือบาทหนึ่งใบผ้าสามผืนจีวะ ท, ที่เข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นไมมีดโกนที่โกนผ ม, มโกนหนวดเข็มก็ได้ไว้สาหรับไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็ที่กรองน้ำเวลาตักน้ำจากลำธารจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คือ สมบัติของผู้ที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมีท่านี้อยู่ได้แล้วปฏิบัติทรรมได้แล้ววัดที่แท้จริงก็ต้องเป็นวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นวัดไม่ใช่เป็นวัดที่ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์วัดที่ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์แต่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมที่นั่นแนะเป็นวัด ที่ที่มีโบสมีเจดีแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติที่นั่นไม่ได้เป็นวัดเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างวัดพระแก้วเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติเพราะไม่มีพระอยู่ที่นั่นคนเข้าใจาผิดคิดว่าวัดจะต้องเป็นเหมือนวัดพระแก้วถึงจะเป็นวัดกันสร้างวัดก็จะคิดสร้างให้เหมือนวัดพระแก้วกัน แต่คนที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาจะเรู้ว่าวัดนี้เป็นที่สงบสงัดที่อยู่ในป่าในเขาที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมกันอันนั่นแหละตื่นวันเป็นที่ที่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปาศาสนาก็จะตายไปเพราะไม่มีใครจะเอามาสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องมีที่ปฏิบัติมีที่ศึกษากันต้องมีผู้บรรลุเป็นผู้สั่งสอนด้วยถ้าผู้ที่ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมาสั่งสอนมันก็เหมือนคนตาบอดสั่งสอนคนตาบอด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 ตั้งแต่สมัยแรกที่แสดงธรรมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเก็บบันทึกไว้คงยังมีผ้าอรหานเป็นแสนเป็นล้านเนะในบางทายเราก็ยังมีอยู่ะมีมาตั้งแต่ที่เรารู้กันก็เกิดตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเ น, นี่ยหลวงปู่มั่นนท่านก็เป็นพาาาระอรหันต์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มัน่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นท่านก็เป็นพาาาระอรหันต์กัน ถ้ามีพระอาจารย์สอนก็จะมีผู้สามารถเป็นพระอาจานย์ได้ถ้ามีพระไม่มีพระอาจานย์สอนผู้ที่ปฏิบัติตามจะไม่สามารถเป็นพระอาจารย์ได้เพราะคนสอนไม่เป็นแล้วคนเรียนจะไปเป็นได้อย่างไงคนที่ไม่จบปริญญาตรีมาสอนเด็กมันจะสอนให้จบปริญญาตรีได้อย่างไรในเมื่อคนสอนยังไม่จบเลยคนสอนก็สอนได้เท่าระดับที่เขาเรียนจบมา แล้วก็จบม6ก็สอนแค่ขั้นม6ได้เท่านั้นเอจะไปสอนขั้นปริญญาตรีได้อย่างไรเมื่อในเมื่อเขายังไม่ได้เรียนก็ยังไม่ได้จบนี่ขอให้เราเข้าใจความหมายของวัดมาวัดมาเพื่ออะไรมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ใจของเราจะได้มีแต่ความสุขไม่ต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆแต่วันนี้เรายังทุกกับมันอยู่ใช่ไหมไม่ทุกกับเรื่องนั้นก็ทุกกับเรื่องนี้มีให้ทุกอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีกําจับมันความทุกเหล่านี้เรากําจัดมันได้ถ้าเราศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติน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 ทำงานหาเงินน้อยที่สุดเอาเวลาให้กับการหาเงินให้น้อยที่สุด mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็ไปบวชเลยก็จะได้ปฏิบัติศีลกับภาวนาต่อไปได้ถ้าเรายังต้องทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองอยู่มันก็รักษาศีลยาก mm hmm. ภาวนาก็ไม่มีเวลาภาวนาฉะนได้ mm hmm. ยอยากจะไปรักษาศีลไปภาวนาก็ต้อง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 นี่คือขั้นแรกคือการทำทานให้เราได้เงินน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หาเงินให้น้อยที่สุดจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราเห็นว่ามันดีเราก็จะได้เลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองแล้วเราก็จะไปบวชได้เงินทองที่มีอยู่ก็ยกให้คนอื่นไปแล้วทำทาน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 ถึงแม้ว่าคนสอนจะหลุดแล้วแต่คนเรียนถ้าไม่ตั้งใจจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็หลุดไม่ได้แต่ถ้าคนคนเรียนตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งคะแต่คนสอนยังไม่หลุดก็สอนให้หลุดไม่ได้เหมือนกันมันต้องเป็นทั้งสองคนคนสอนก็หลุดคนเรียนก็ตั้งใจอยากจะหลุดจริงๆพร้อมที่จะทาตามคำสอนทุกอย่างถ้าอย่างนั้นหลุดได้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 ต้องอยอมเจ็บถ้าไม่อยอมเจ็บก็ทุกข์กันถ้ายอมเจ็บแล้วจะไม่ทุกข์ต้องอยอมเสียทุกอย่างยอมเสียไหมเสียลูกเสียเมียเสียสามียอมเสียหรือเปล่าถ้ายัางไม่อยอมเสียก็ทุกข์กันถ้ายอมเสียแล้วจะไม่ทุกข์กันเพราะของทุกอย่างมันที่มันทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมเสียมัน นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีกันถ้าเราจะไปศึกษาเราต้องเชื่อคนสอนท่านสอนให้เราตัดอะไรต้องตัดให้ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราตัดลูกเสียงกิ่นเราต้องตัดให้ได้แต่เราไม่ยอมตัดกันยังเสียดายยังเสียดายละครตอนนี้อยู่คืนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามละครก่อนไว้ขอให้แก่ขอให้ขอให้ละครจบก่อนแล้วค่อยมาตัดเนี่ย มันก็ไปไม่ถึงเดี่ยวก็มีเรื่องใหม่มาต่ออยพอหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่มาต่อยกอินเหล้าก็เหมือนกันคล้อยหมดขวดนี้ก่อนพอหมดขวดนี้เดี๋ยวก็ไปซื้อขวดใหม่มาต่ออยผู้รีก็เหมือนกันคลอยหมดซองนี้ก่อนก็จะเลิกพอหมดน้กเผลอไ ป, ปซื้อใหม่แล้วลืมไปซะแล้วว่าได้สัญญาไว้ว่าจะเลิก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 สิ่งที่พระจ้มอบให้กับพวกเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามอย่างเขร่งครัดจริงๆถ้าปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันเราก็ต้องไปหาที่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปหาที่ที่มีแต่วัตถุถาวรวัตถุที่นั้นไม่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่ที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีอะไรต่างๆนีม่มักจะไม่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธาระธรรมประสงค์มักจะไปอยู่ในป่าในเขากันไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วพอเป็นที่ที่เหมาะต่อการศึกษาต่อการปฏิบัตินั่นเองที่ไหนที่มีคนมากๆเนี่ยวัดที่มีคนไปกราบพระพุทธรูป ก, กันมากๆเนี่ยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้มีแต่ความวุ่นวายแย่งกันจุดทูบแย่งกันจุดเทียน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 ยถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปปฏิอจิตังปัจ um ิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาหราโสยะทามะนิจโตหราโสยะทาสัพีติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตผวะตังอันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโธัมมาวะทานติ อายุวันโอสุขังภาลางยังเอากลับข้าไปถวายพระทุกวันหรือเปล่าช่วงนี้อาทิตย์นี้ยังไม่ว่างทีจะมาว<ะ>ันเดียวหลวงพ่อท่านเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ทรงทงอยู่เหมือนเดิม ัครบเดี๋ยวกันเนี่มไหมเดียวกันของมันตรงนี้เลยพอไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับได้บ้างไม่รับไม่ได้บ้างาอของยมแตวเป็นคนจัดค่ะแต่วดีดันเชียเป็นคนจัดอ๋อเป็นเพื่อนยมแตวเลยอ๋ อ, อมีหนังสือซีดีจากนะวันนี้วันเกิดน้องค่ะเดียวอ๋อยืนมั่นขวัญยืนเอ แล้คาดปลอดภัยนะมีแต่ความสุขความเจริญอ่มีนังสในยูทูบอ่าก็แต่ว่าก็มาใางทำอยู่ที่น่ออยู่ที่ไหนชาตเยบนะหลวงอคาดอยากจะเห็นที่ตรงมันไม่ใช่จะให้คนมาช่วยไม่ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งอ่ะเดี๋ยวพาทำกันไปตามมีตามเกิด อาช่างมาเนี่ยมันเป็นเขานี่มันขรุขรมันสูงๆต่างๆำของมันอยู่แล้วความทไรนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องการความสงบมันไม่ไม่อยากให้มีกิจกรรมอะไรมากเดี๋ยวทําแล้วมันไม่จบมันจะต่อไปเรื่อยๆอ๋อ่นั่นแหละเดี๋ยวก็เห็นอะไรไม่เรียบก็จะให้มันเรียบไปหมดเลยเดี๋ยวก็มีแต่งานทําไม่ไม่มีการปฏิบัติกันนะอย่าไปทําเลยหวามันเป็นน้ำธรรมชาติ สาราหลังนี้คนจะมาสร้างใหม่ให้เราไม่ต้องสร้างอ่ะดีอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วใครต้องการอะไรก็หยิบได้แต่ไม่เจอฟังพ่อก็เอออ่ะข่าหยิบแล้วก็ออกไปให้คนอื่นเขาเข้ามาหยิบต่อมีคนรออยู่เอาซองไว้ตรงนั้น อของวางไว้ตรงนี้เลยะอันนี้นนให้ทังะะะะ้งผุงเลยนิดน้ำกับมันกนน่ะค่อ่าได้สาธุวางไว้ ยมเปที่สุพรรณนะคะจะแต่งลูกคนที่สิบที่กรุงเทพค่ะที่เพื่อนๆใส่ปัญญาก็จะไปแต่งกันเป้เขาอยู่ที่จังหวัดไหนนะสุพรรณเมื่อก่อนเขอยู่ที่ตอนนี้ตอนนี้อยู่เชษฐ่บูรณ์เชษฐ์บูรณ์แต่เด็กๆเขาก็อยู่สุพรรณเขาอยู่ด้วยกันกับเรา่เป็นลูกของอากูแม่เขาเป็นอากูเป็นน้องสาวของพ่อ ค่ะงร่รู้จักกันก็แต่เด็กๆเขาเป็นคนนามาฮให้กลาบท่านค่ะเขาจะยังไงลูกเขาจะแต่งงานลูกเาจะตอนนี้มั่นค่ะวันที่สิบธันวาค่ะคุณหญิงผู้ชายลูกขาผู้ชายผู้ชายวันที่สิบธันวาจะแต่งกับแต่มั่นแ่เค่ะมันที่กรุงเทพนะมั่นที่กรุงเทพค่ะ เดี๋ยวกายอยากจะถามปัญหาอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาถามกันเมือ่อกี้อยากจะถามอะไร สัญญาณได้ก็ดีเพราะบางทีมันมาชนกับสัญญาณเสียงถับนี่ก็ใช้สัญญาณเหมือนกันบางทีมันชนกันค่ว่าไหมาคือเมื่อคืนนั่งสมาธิอย่างเงี้งงยค่ะแล้วขานั่งแล้วมันมันดูก็คือมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วพอ ก็รู้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าให้ต้องผ่านไปให้ได้ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมพอทําไม่สนใจกลายเป็นว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่แล้วเหมือนโลกหมุนแบบห้องหมุนเป็นก็พยายามไม่สนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธจนมันรู้สึกว่าเหมือนเวียนหัวจนเราหยุดก็ตอนนั้นเราไม่พุทโธแล้วใช่ไหมนั่อแหลมันหายมันหายมันก็เป็นถ้าเราอยู่กับพุทโธมันก็ไม่เป็นเหมือนกับเวลาเราลอยอยู่ในน้ําถ้าเราเกาะกับอะไรวันมันก็ไม่ไหลไปกับน้ำ พอเราปล่อยมันก็ไหลถูกน้ําซัดพาไปงั้นเราต้องกลับมาที่พุโทโธคฮะคือต้องผ่านไปให้ได้คือถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันจะผ่านไม่ผ่านไม่สําคัญถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้ว เ, เดี๋ยวไอ้สิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันก็หายไปแต่เราไม่มีพุโทโธเราก็ถูกมันดูดไปพายิ่งไปเป็นใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอนั่นต้องพยายามให้อยู่ให้มีสติ มีอะไรผูกใจดึงใจไว้แม่ให้มันเป็นไปไหลไปตามเหตุการณ์ที่มาโผล่ขึ้นมาอแต่พออะไรโผล่ขึ้นมาเราก็ลืมนะเพลิสติล้วยุดพูดโทแล้วไปดูมันแล้ว อ, อ่าอ่าไม่เวลาลองใหม่ทําใหม่ถ้าอย่างนั้นใจก็จะไม่สงบมันก็จะถูกไปแล้เหตุการณ์ต่างๆนี้พาไปแล้วต่อไปอาจจะไม่กล้านั่งกลัวก็ได้ อี่ยไปเพราะเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้มันสร้างภาพมาหลอกเราอือ ก, การหมุนนะาอาานั่นแหละกาหละอาการต่างๆนก็เป็น ก, การกระจายมันสร้างขึ้ น, นมามถ้ามีพุโทโธติดถ้ามีอะไรเกาะไว้ยึดไว้มันไม่เป็นอันนี้เข้ามากี่ยนนะสูงสุดส5 0อค่ะาขส า, า ส, ะขขอสองระอยดบาประจำนะเท่าเดิมนะ ประมาณสา0ร้อยห้าสิบย <c oughs> ูทูสี่สิบสิบสองครับสีสิบสองก็ยังดีคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่พูดแล้วมีคนแค่สิบกว่าคนยี่สิบคนฟังอย่างนี้นมีมีคนติดตามต้องเกือบสี่ร้อยก็เอาได้ถ้าคนลถ้าคนละบาทก็ได้สี่ร้อยบาทนะตามถ้าถ้ามีคนแค่นี้บางทีไม่อยากจะพูดอะ ที่พูดนี้เพราะว่ามีคนติดตามทางบ้านอยู่เยอะก็ อ, อะไรคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยเหมือนกับเหมือนกันเรา เ, เปิดโรงหนังฉายมีคนมาดูสองสามคนนี้ก็เปลี่นโงดีกว่าไม่พอค่าน้ําค่าไฟเนี่ยต้องจ่ายค่าคนมาถ่ายวีดีโอนี่ต้องจ่ายน้ําคนละขวดอะไรมาถามมามีคําถามจากยู u ูบสองคําถามนะครับจากคุณนุชยาครับ เวลาเข้าสมาธิแล้วหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นหมายความว่าเราเข้าผวังหรือไม่ครับก็หลับมันจะเข้าผวังอะไรมันก็หลับมันก็นอนหลับได้นะ <c oughs> มันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่นั่งหลับท่านเองก็ถือว่าหลับไม่ไม่ได้สมาธิไม่ได้อะไรเพราะสติไม่มีกําลังกิดสติน้อยมันก็เลยถูกความความหลับดึงไปถ้ามีสตินี่มันจะไม่หลับแล้วมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุข พ ย, ยายามฝึกสติให้มากๆก่อนมานั่งไม่มีสติบางทีนั่งก็ไม่ไม่สงบเพราะฟุง้งฟุ้งก็เพราะไม่มีสตินั่งแล้วหลับก็ไม่มีสติเหมือนกันงั้นต้องพยายามฝึกสร้างสติขึ้นมาบ่อยๆให้มกากๆให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งแล้วพอมานั่งมันจะมีกําลังมันจะตื่นตัวมันจะไม่หลับแล้วเวลามันจะคิดมันก็หยุดความคิดได้ข้อที่สอง แล้วถ้าเรารู้สึกตัวแล้วตั้งต่อเกิดอาการเข้าพวังอีกแต่ไม่หลับแต่รู้สึกสบายแบบนี้ก็คือการเข้าพวังด้วยเหมือนกันไหมครับอ่านั่นแหละคือเข้าสมาธิแล้วแหละถ้ารู้สึกตัวแล้วสงบแล้วสบายเรียกว่าสมาธิแต่ถ้าเข้าไปแล้วหลับปุ๊บคอพับปั๊ บ, บเนแสดงว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยแค่สองอก้อนนี่แหละคนเดียวเหรอคนเดียวอคำถามจากคุณโซ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 นั่งดูทีวีนั่งทําอะไรนี่ไม่เป็นเนียพอมานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะมันคเป็นเรื่องของกิเลสนะครับกิเลสมันจะคอยขัดขวางไม่ให้เรานั่งมันจะสร้างอปัญหาต่างๆมาคนที่เขาต้องการหลุดพ้นก็ไม่สนใจกับเรื่องการเจ็บปวดของน่างกายถ้ามันเป็นเรื่องของมายาของกิเลสเขาก็เขาก็ นั่งไปขอให้เขามีสตินะถ้ามีสติแล้วจิตเขาก็สงบได้เองแต่ถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบเดินยังไงก็ไม่สงบดงนั้นก่อนที่จะทําให้จิตสงบได้นี้มันจะต้องมีสติก่อนใ น, นการเจริญสติก็เจริญได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนทําอะไรนี่เจริญสติได้แต่จะทําให้เป็นจิตสงบเป็นสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งถ้าไม่นั่งเฉยเฉยจิตไม่สงบ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 อันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นแลบุญที่เกิดจากการทำทานนี่ก็เป็นบุญ อ, อีกอันหนึ่งอันนี้จะทำให้เราสละเข้าของเงินทองได้ไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่ตนีไม่โลภไม่เหมือนกันบุญคนละอย่างถ้าเป็นยาก็ยาคนละชนิดยาชนิดหนึ่งยาแก้แก้ปวดตาอียาชนิดแก้ปวดหูอย่างเงี้ยมันใช้คนละชนิดกัน ถ้าเรามีปัญหาเรื่องความตนันนีเรื่องความร่วมในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องทำทานให้มากๆถ้าเรามีความเห็นกีดตัวขี้เกียจไม่อยากจะช่วยใครจะอยากจะให้คนอื่นช่วยเราแต่ไม่ช่วยเขาเราก็ต้องไปช่วยคนอื่นเขาบ้างพราะถ้าเราช่วยคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาช่วยเหลือเราเองมันเป็ น, เ ป, นเป็นยาคนละชนิดกันเหมือนถ้าปวดตาก็เอายาแก้ตามาหยอดแก้ปวดตามาหยอด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 ไม่เอาคำของสาวกหรือสอนแนวทางอื่นๆที่สอนเน้นตรงๆนี้สอนเรื่องอะไรก่อนก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานเนี่เหมือนคำสอนพุทธเจ้านี่เหมือนกับได้รับรองจากอะไรมอกหรือใช่ไอมมาตรฐานศากมอกเนี่ย สินค้าต่างๆเราไปซื้อเราต้องไปดูมันแปะป้ายมอกหรือเปล่าถ้ามันแปะป้ายใช้ไดออ้แล้วถ้าสินค้าที่ยังไม่แปะป้ายก็ต้องระวัง เ, ออเหมือนกันเราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราค่อยไปฟังของคนอื่นถ้าคําสอนของคนอื่นไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ถ้าขาดกันก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเชื่อของพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าเรามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยศึกษากัน เราไม่ชอบไปอ่านกันเพราะเราไม่รู้จะไปอ่านที่ไห น, นเพราะมันเต็มไปหมดดูพระไตรปิฎกมีต้องสี่สิบเล่มนี้ยไม่รู้จะเปิดเล่มไหนดีเฮ้ยงั้นเราเอาเอาหนังสือที่เขาคัดพระไตรปิฎกเอาเอาแต่หัวหัวเอาแต่คําสอนที่สําคัญสําคัญมีพระสูตรไม่กี่ม่ไม่กี่กี่อันที่เราควรจะศึกษากันเป็นธรรมจักรเนี่ยอันแรกสติปฐานสูตรมงคลละสูตรเนี่ย อนัตตละคณะสูตรเนี่ยแค่เนี่ยสี่นี่ก็จะได้ควบคุมเกือบจะหมดละสี่พศูนยเนี่ยมงคลละสูตรเนี่ยมงคลสามสิบแปดเนี่ยท่านสอนให้เราทําอะไรเพื่อให้จิตให้เรามันเป็นขั้นตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงขั้นหลุดพ้นถึงพระนิพพานเลยเนี่ยสาิบปดขั้นเพื่อไปสู่พระนิพพานขั้นแรกก็สอนให้อย่าไปคบคนโง่ให้คบคนฉลาดเนี่ยคือให้คบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นคนฉลาดที่สุดเนี่ย อย่าไปคบคนที่ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะอย่าไปคบคบแล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปทางโลกค น, มนหมดๆอันนี้เริ่มต้นตรงนั้นแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ขั้นต่างๆไปถึงขั้นพันธิพานได้สามสิบสาสิบแปดข้อด้วยกันที่เรียกมงคลสาสิบแปดที่เราต้องการรายละเอียดมากกว่า น, นั้นก็ต้องไปฟังศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นก็มีในธรรมจักในสติปัฏฐาน มีในอนัตตลักษณสุดเนี่ยขั้นนี้ก็พอแล้วถ้าศึกษาการ น, นี้เราไปไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์อื่นเราก็จะรู้ว่าท่านสอนนอกนอกจากนอกนอกลูกนอกทางหรือเปล่าคำถามจากคุณสุวัฒนาดรที่เราทาบุญแล้วบอกให้ผู้อื่นเขาโมทนาบุญหรือทำบุญแทนผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้นั้นจะได้รับบุญหรือไม่ครับ <c oughs> ไ, ได้เราบุญของใครของมันอย่างก็ดีเลยเราคนที่ไม่ต้องทํานอนเที่ยวเล่นแล้วก็ให้คนอื่นไปทําทำแล้วให้งานนุมโมทนาให้เรามามอบบุญให้เราคําถามจากคุณบุญมีบางท่านบอกการปฏิบัติถ้าบุญบารมียังไม่ยังไม่ถึงจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่บรรลุธรรมหลักผมต่อความกระจ่างได้ยครับบุญบารมีก็เหมือนกับการศึกษ า, า, าที่เราเรียนมามากน้อย ถ้าเราเรียนจบมหกมันก็เราก็ไปต่อปริญญาได้เลยถ้าเราไม่ได้เรียนจบมหกเราก็ต้องไปเริ่มที่อนุบาลก็เท่านั้นเองก่อนที่ไม่มีบุญก็ปฏิบัติได้บรรลุได้เพียงแต่ว่าต้องไปเริ่มที่ต้นคนที่เรียนมาจบครึ่งทางแล้วเขาก็มาต่อที่ครึ่งทางได้คนที่มีบุญบารมีนี่เขาก็มาบางคนมาบวชได้เลยเนี่ยแต่พวกเรายังบวชไม่ได้พวกเราก็ต้องทําบุญทางทานไปก่อนรักษาศีลห้าไปให้ได้ก่อน อาจนั่งสมาธิไปให้ได้ก่อนพอเราทำได้แล้วเราเดี๋ยวเราก็ไปบวชได้พวกที่ยังไม่ได้บวชกันก็แสดงไม่ชาติก่อนทาบุญมาน้อยพวกที่มาเกินแล้วมาบวชได้เลยเนีย่เป็นพวกที่เขาทำบุญมามากแล้วเขาจบมหกแล้วการบวชนี่เหมือนกับการไปเรียนในมหาลัยแล้วพวกเรามันยังไม่เคยเรียนกันก็ต้องอยู่อนุบาลกันไปก่อนทำบุญใส่บาตรไปก่อนรักษาศีลห้ากันไปก่อน ยังยังจะแทบเป็นแทบตายกันเลยทำแค่นี้ใช่ไหมวอมา่อาีพสวดมนต์ที่การพูดคเนี่ยกับสวดพระไตปิฎกมันจะแตกต่างไปอย่างไรไม่ต่างกันหรอการสวดนี้ก็เป็นการฝึกสตินั้นเองไอ้สวดทั้งเร่วทั้งมเนี่ยมันปะุกตะกกเลคะแต่ว่าถ้าสวดพระไตรปิฎกมันมักจะคล้อง ก็สวดไปเสอันไหนก็ได้สวดไปสวดนะเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทอง เ, ทเรื่องขนมนมเนยเราช ว, วนไปสวดองที่บ้านแต่เราก็รู้สึกไม่ถนัดและชอบนั่งสมาธินี่แต่ต่างไปยังไงนั่งสมาธิก็อยากจะอยู่คนเดียว อ, อยากจะนั่งสมาธิแสดงว่ามันเก้ามันเลยขั้นสวดมนไปแล้วอื คนที่ยังยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพื่อจะได้มีสติพอมีสติแล้วก็อยากจะนั่งสมาธิเรารู้สึกว่าสวดมันจะนุ่งงำน่งมันไม่สงบแล้วก็นั่งจะดิอันไหถูกผิดก็นั่งนั่งมาดีกว่าแต่ถ้านั่งไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งซ่านก็สวดไปก่อนแล้วแต่คนไงแล้วแต่ว่าทําบุญมาขัระดับไหนบางคนยังไม่มีสติ นั่งเราไม่นั่งไม่ได้นั่งเราฟุ้งซ่านก็ต้องสวดไปก่อนครับนที่สวดได้แล้วัมีสติแล้วจิตสงบแล้วก็ไม่อยากจะสวดแล้วอยากจะนั่งไม่ทราบว่าอันไหนผิดไม่ผิดอะถูกทั้งกคนทั้งคู่แต่คนละชั้นกันอืชั้นอนุบาลหนึ่งกับชั้นอนุบาลสองมันไม่เท่ากันไม่ให้นั่งดีกว่าใช่แล้วมาสวดนานมากถ้าไม่ต้องสวดแล้วเรานั่งไปเลยนั่งดูลมไปก็ได้ขอบคขอาจารยค่ะได้อ่านหนังสืออาจารย์ ในเล่มที่พระอาจารย์เขียนเรื่องของความเพียรนะคะอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์สร้างทางเพียรเนา ะ, ะเพราะว่าความเพียรนี่ยมันยังน้อยน้อยมากะคะ่ะมันนอยหรือปฏิบัติอย่น้อย ม, <ก><ล>มันฟั ง, งมันฟังทำไปอยู่เรื่อยๆฟ <c oughs> ังเทศไปเรื่อยๆแล้วก็คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําให้เราขยันขึ้นไปต้องหาไฟมาหล่นก้นอย่างนี้มันไม่มไมขยนัน คิดถึงความตายแล้วมันจะทําให้เราขยันนะเราไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวตายแล้วไม่มีเวลาปฏิบัตินเะนี่ยให้คิดถึงความตายไปดูคนคนเพื่อนเราตายไปทีละคนสองคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราตายแบบเขาตามตายตามเข้าไปเราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัตินะถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความขยันขึ้นมาเองแล้วเวลาที่เราเสียไปกับการหาเงินทองหาความสุขทางอื่นมันหายไปหมดแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรเอาไปไม่ได้ เพื่อเอาความสุขที่ได้จากการทำความเพียรไปดีกว่าเราต้องหัดคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความขยันขึ้นมาคำถามจากคุณน้ำเนินหากไม่ค่อยได้ไปทำบุญฟังเทพที่วัดแต่ดูแลปณิบัติคุณแม่ที่ชราภาพอยู่ที่บ้านเป็นกุศลผลบุญเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนเรอะก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังดูแลคุณแม่ก็เหมือนกับได้บุญจากการรับใช้ผู้น ไม่ได้บุญจากการทําทางไม่ได้บุญจากการปฏิบัติธรรมัน บ, บุญแต่ละชนิดมันเหมือนยาแต่ละชนิดเรือดอาหารแต่ละชนิดที่มันไม่เหมือนกันที่เราจะป็นจะต้องกินให้มันครบไงเวลากินอาหารกินข้าวอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ครบนงกินข้าวมันต้องกินกับะต้องกินขนมต้องกินเครื่องดื่มกินผ ล, ลไม้มันถึงจะได้อาหารครบสูตรการปฏิบัติมันก็มีบุญทั้งสิบชนิดด้วยกัน แต่บุญนี่เราจําเป็นจะต้องมีที่สําคัญก็มีอยู่สี่ห้าชนิดคือทานเนี่ยศีลภาวนาการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมีสี่อันเนี่ยไปบรรลุได้แล้วบุญอันอื่นนี่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามีพ่อแม่ต้องดูเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูไปอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ไม่มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูก็ไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องทํา แต่ขอให้ทําบุญหลักไว้สี่บุญหลักมีอยู่สี่ข้อฟังเทศฟังธรรมก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าต้องละทำทานไม่ให้โลภไม่ให้ตนนีอไปรักษาศีลไม่ให้ไปทําบาปให้ภาวนาทําจิตให้สงบเนี่ยถ้ามีบุญสี่ชนิดนี้แล้วก็บรรลุได้บุญอย่างอื่นถ้ามีโอกาสก็ทําไป เ, เวลาทําบุญแล้วก็กวดน้ําไป เวลาเพื่อนเข้าไปทําบุญเราก็ร่วมอานมโมทนาไปกับเขาเวลาเขามีงานการต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือกันอันนี้ก็ทําไปตามเหตุการณ์ตามโอกาสแต่ไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปทําถ้าไม่มีเหตุการณ์ให้ทำสี่อย่างนี่ฟังธรรมแล้วก็ทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาคำถามจากคุณเลิฟ คนที่เจ็บป่วยจากโรคมะเร็งจะช่วยให้ผ่อนคลายจากอาการยังไงคะให้เขาท่องพุโทโธช่วยให้มีสติได้ไหมคะไ ด, ได้การก็ทาได้มันขณะดที่ไม่ป่วยยังทำไม่ได้เวลาป่วยมันยังไปทาได้มันไม่มีสติสตังนะยังตั้งหัดทำตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะต้องฝึกสร้างสติหัดทำใจให้สงบทำใจให้สงบได้เวลาร่างกายเจ็บใข้ได้ป่วยจะไม่ทรมานจะไม่ทุกข์ ไปรวมกับเขาเนี่ยจะได้ให้ให้ลกจ้างใส่เนี่ยมันเจอได้เราก็ได้บุญนะถ้าเป็นของของเราเพราะมันเวลาเดียวเรากําจัดที่เราทําบุญใส่บาทรก็เพื่อกําจัดความตนเองเท่านั้นเองเราไม่มีเวลาใส่ก็ให้ลูกจ้างใส่ให้ก็จะใส่เองใส่เองก็ได้ไม่ใส่เองก็ได้ได้บุญบุญขอกาลังกายเวลาเดียวเอง ไม่สําคัญเน่ะขอให้ได้ทำให้เคาะถึงแม้ไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรถ้าเงินฝากเงินเข้าไปซื้อข้าวให้ใส่บาทให้เราก็ได้เกิดการทําทานนี้เป้าหมายก็คือให้เราลดความผงุเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ยค่ะคำถามจากคุณลุชยาที่ทถามมาเมื่ี้สองคำถามนะฮะคําถามที่สามคือแล้วบางครั้งนั่งนิ่งแล้วบางครั้งนั่งแล้วเหมือนจําอะไรไม่ได้เลย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 แต่มันเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่มันเป็นความสุขมันเป็นความว่างจริงหรือเปล่าหรือเป็นความหลับถ้ามันไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขก็แสดงว่ามันหลับมากกว่าคํถาถามจากคุณมุชนาศการพิจารณากายควรพิจารณาเวลาที่จิตรวมนิ่งเป็นสมาธิหรือช่วงไหนครับไม่ใช่ต้องเวลาที่จิตไม่สงบเสียงเวลาออกจากสมาธิมาจิตเวลาที่จิตคิดเนี่ยถึงยามมาพิจารณา แต่ลานั่งสมาธิให้จิตสงบนี่ไม่ต้องการคิดต้องการให้มันสงบเพราะความสงบจะทําให้เรามีความสุขพอเราคิดแล้วมันก็ไม่สุขเน้นเราต้องหยุดความคิดก่อนให้จิตสงบให้มีความสุขพอจิตมีความสุขออกจากความสงบมาที่ก็บังคับให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เรามีความสุขต่อก็คิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาไปคิดว่าร่างกายของเราเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเรา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 รู้สึกมีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิขั้นไหนเจ้าคะขั้นนั้นแหละไม่รู้จะชื่ออะไรก็ขอให้มันมันสงบมันสบายก็แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นความ ส, ส, สมาธิไ ด, ทได้ที่ได้จากการฟังธรรมเ น, นี่ยานิสงของการฟังธรรมนีนจุดหนึ่งจะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสพอใจเราไม่ไปคิดถึงข น, นมน ม, นมเนยไม่ไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อ ง, อ ง, องปัญหาต่างๆ ง, งความวุ่นวายใจต่างๆมันก็เลยหายไป ความสงบมันก็มาเลยทําให้เรานั่งเฉยๆอย่างมีความสุขได้แต่พอเร า, านั่งสมาธิเองนี่นั่งไม่ได้พอพุโทโธสองคำมันไปคิดถึงขนมละคิดถึงแฟนและคิดถึงลูกแล้วมันก็เลยนั่งไม่ได้นานไม่กี่นาทีก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่เวลาฟังธรรมนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องพุโทโธเองมีฟังเสียงธรรมของพระที่แสดงใจก็ฟังไปเรื่อยๆมันก็เพลินมันนั่งดูหนังใช่ไหม เวลานั่งดูหนังนี่สองชั่วโมงผ่านไปเร็วกันนะใช่ไหมแต่เรานั่งรอหมอหรือรอใครนี่ไหมต้องมองดูนาฬิกาทุกห้านาทีเพราะใจมันคิดมันอยากอยู่เรื่อยๆแต่พอเวลาดูอะไรมันก็เพลินไปกับสิ่งที่ดูมันก็เลยทําให้มันไม่มีความอยากจะไปทําเรื่องอย่างอื่นมันก็เลยนั่งดูได้นานนะคนจึงบางทีชอบไปดูหนังกันแต่พึ่งแล้วดูหนังมันไม่สงบบางทีมันตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวไปครับ กำหนังที่มั น, มนแสดงแต่ถ้าฟังธรรมนี่มันจะสงบแล้วมันจะได้ความรู้ความฉลาดที่จะามาใช้กับการรักษาใจของเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ได้คำ ถ, ถามจากคุณกริบการสวดมนต์ทุกๆวันช่วยให้เกิดอะไรบ้างครับก็เป็นการฝึกสติจเจริญ ส, สติ เวลาสวดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หยุดทั้งขานความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. ก็ทําให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่คําถามจากคุณกาบัมเราจะมีวิธีปล่อยตัวรู้ตัวนี้อย่างไงครับ อ, อ๋ตัวรู้ไม่ต้องไปปล่อยแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวที่ต้องการปล่อยก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ที่เป็นเราของเราเนี่ยต้องปล่อยตัวนี้ปล่อยลูกปล่อยสามีปล่อยภรรยาปล่อยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปถ้าเราปล่อยไม่เป็นเวลาจากกันมันจะทุกข์ถ้าปล่อยเป็นแล้วมันจะไม่ทุกข์เนี่ยที่ให้ปล่อยให้ปล่อยสิ่งต่างๆตัวรูกไม่ต้องปล่อยเพราะตัวรูกมันไม่เป็นปัญหาแล้วก็ปล่อยไม่ได้ก็เพราะตัวรูกมันเป็นตัวเราเราจะไปปล่อยไม่ได้ มันอยู่กับเราเราอยู่กับมันมาตลอดอปล่อยมันไม่ได้ให้ปล่อยของอย่างอื่นที่มันไม่อยู่กับเราที่จะต้องจากเราไปให้ปล่อยของพวกนั้นของที่ไม่ไม่จากเราไปเราไม่ต้องไปปล่อยมันหรอมันไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ไอปัญหาไอตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือของต่างๆที่เรามีอยู่เนี่สักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเวลาจากกันมันทุกข์ไหมล่ะแต่ถ้าเราปล่อยเราจะไม่ทุกข์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 อันนี้ก็บวชเป็นอาชีพเนี่ยอันนี้ไม่ได้บวชตามที่พระเจ้าสอนให้บวชบวชแล้วไม่ร่ำไม่เรียนบวชมาเพื่อหัดสวดสวดศบสวดบุญบังสังสวดนี้เตอนนี้ไม่ได้บวชเพื่อให้หลุดพ้นไอ้พวกนี้ไม่ถือว่าบวชด้วยบุญบวชด้วยกิเลสตัณหาเมื่อธรมหากินไม่ได้ตกงานหางานทำไม่ได้ไปบวชก็มีอาชีพ เดี๋ยวก็มีกิจนิมนต์เช้าก็ไปสวดบ่ายก็ไปสวดสวดทีก็มีสองมาสองหนึ่งใช่ไหมสวดวันวละลายหลายรอบมันก็ได้หลายสองนะอันนี้ไม่ได้บวชเพื่อตัดกิเลสไม่ได้บวชเพื่อศึกษาเพื่อทำคำสอนบวชเพื่อเพื่อซองถ้าบวชแบบนี้ก็จะบวชก็ไม่มีประโยชน์อะไรแ้ <ram treating> <END dachte> ่มันไม่ได้ต้องมันต้องดูว่าบวชเพื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ถ้าบวเพื่อศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ยเป็นพระมันจะดีกว่าเป็นคาลาวา่าตเพราะมันมีเวลามากกว่าคาลาว่าต้องแบ่งเวลาไปทํามาหากินไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมาปฏิบัติได้น้อยกว่าแล้วเวลาบวชแล้วได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์มากกว่าต้องไปบวชวัดที่เป็นวัดปฏิบัติถ้าไปบวชวัดที่มีการบุญบางสังสว่วนก็อย่าไปบวชเลยเสียเวลาต้องถามสุดท้ายจับ คุณสวินั่งสมาธิรู้ตัวว่าไม่หลับแต่เหมือนตกหลุมอากาศเป็นเพราะอะไรครับจะแก้ไขอย่างไรไม่ต้องแก้เวลาจิตสงบมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนกับตกหลุมอากาศให้ประคับประคองสติไว้ประคับประคองใจให้รู้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจให้นั่งต่อไปให้มันนิ่งต่อไปเหมืดแล้วใช่ไหมก็พอสมควรนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมข้างล่างมีไหม